วันนี้ก็เป็นวันที่ กนุ่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้หกสิบเอ็ดะครับเป็นการบรรยายที่ยุคปุถุนสองนะครับวันนี้ก็เป็นคืนวันที่สามของการปฏิบัติแล้วนะหลายท่านก็คงอยู่กับตัวเองภาวนานะข้อมูลใหม่ๆก็คงไม่ได้เข้าไปมากนะักนอกจากธรรมะนะเมื่อเราหยุดเติมข้อมูล จากสิ่งกระทบเช่นโทรศัพท์หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายที่เราทำงานมันก็ถูกตัดลงไปเพราะฉะนั้นไม่อยู่กับตัวเองมากขึ้นสมาธิความตั้งมั่นก็ค่อยๆเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติการรบกวนของนิวรณ์ทั้งห้า ก็คงเหลือเบาบางไปตามลําลดับเป็นไงภาวนานะดีขึ้นนะความคิดจะเกิดขึ้นก็เกิดไปนะความสงบไม่ได้ไปขึ้นอยู่กับความคิดจะต้องหยุดจะหยุดก็หยุดถึงเขาเองเขาไม่หยุดเราก็สงบของเราได้ ไม่กระโดดเข้าไปไม่วิ่งเข้าไปหาอยู่กับที่อยู่กับฐานตั้งมั่นอยู่กับที่ความคิดจะเกิดก็เกิดไปความคิดก็ดับไปความคิดเกิดขึ้นก็ดับไปให้เห็นอย่างนี้ความคิดจะเกิดก็เกิดไปแล้วความคิดก็ดับไปจิตใจตั้งมั่นสงบ อยู่กับฐานไว้ไม่เข้าไปลงไปในเนื้อเรื่องเมื่อไม่ลงไปในเนื้อเรื่องก็คือจิตตั้งมั่นเนะมื่อจิตตั้งมั่นก็จะเห็นความจริงของการเกิดดับไม่ว่าจะความคิดก็ดีนะภาษาธรรมะเรียกว่าสังขารการปรงแต่งนะไม่ว่าจะเวทนาก็ดีเวทนาก็ถูกแบ่งเป็นสองส่วนนะนะถูกแบ่งเป็นสองส่วน เนื่องจากเวทนาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นส่วนแรกที่เราเคยได้ยินแล้วเราก็คุ้นเคยกับมันดีก็คือเวทนาทางกายถูกไหมเจ็บปวดคันชะามาอยู่กับการทําสมาธิอยู่ในอิเดียบทอย่างเนี้ยนั่งอยู่อย่างเนี้ยเจ็บปวดคันชามากันอุตลุศนะอยู่บ้านก็ไม่ได้รู้สึกมาก อยู่ที่ทำงานก็ไม่ได้รู้สึกมากขนาดนี้แต่ทำไมเวลามาอยู่ในคอร์สปฏิบัติมานั่งสมาธิทำไมมันมาเต็มไปหมดนะเจ็บปวดคันชาเนะี่ยเอาละเขาเรียกเวทนาทางกายเวทนาทางกายก็คือเวทนาคือความรู้สึกนะเวทนาคือความรู้สึกอันเนื่องมาจากกายเป็นปัจจัยนะ ไ ม, ไม่ใช่ตัวกายไม่ใช่ตัวกายนะฟังอย่างนี้ไปก่อนถ้าวันหนึ่งสงสัยขึ้นมาคำของผมจะเข้าไปตอบข้อสงสัยนั้นเอาว่าวันหนึ่งผมก็เคยขนาดที่ผมปฏิบัติผมปวดขามากโอ้ยปวดขาจังเลยนะผมก็รู้สึกว่าขาผมเนี่ยมันปวด แต่ผมผมไปดูอาการของกายเนี่ยที่ผู้เจ้าตัดว่าเวลาเข้าไปสังเกตอ่าอย่างเช่นกายยะขตาสติเนี่ยคือเข้ามามีสติอยู่ที่ฐานกายเนี่ยมันมีอาการแค่อ ะ, อะไรผมก็จำได้ไม่หมดเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรอย่างเงี้ยนะที่เกิดขึ้นที่กายเยน็นเข้าใจได้ร้อน โดนจับน้ำแข็งนะเย็นร้อนโดนน้าร้อนหรือโดนแสงแดดร้อนอ่อนนั่งอยู่ที่อาสนะนิ่มไหมนิ่มอ่อนคือมีความรู้สึกขึ้นมาได้ที่กายเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้าเดินอยู่บนพื้นนั่งอยู่บนพื้นนอนอยู่บนพื้นกระดานก็รู้สึกแข็งตึงเวลายืนขย่นตึงหรือว่าหยิบอะไร ตึงขึ้นมไหมไวาการไหวอยู่ที่กายผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอ้าวปวดอ่ะคันอ่ ะ, อะแล้วทำไมไม่รวมอยู่ตรงนี้ด้วยล่ะ <c oughs> จนปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนวันหนึ่งเนี่ย ที่ปวดมากๆเนะ่ยอ่าล่อยู่ๆมันดับวับหายไปอย่าเงี้ยผมก็เอ้ยผมยังไม่ได้ขยับขาเลยนะทาไมปวดมันหายไปละ่ะถ้าผมขยับขาแล้วหายปวดเหมือนเวลาเรานั่งขัดสมาธิแล้วเราเป็นเน็บชาหรือปวดขาแล้วเราขยับปั๊บสักพักเน็บชาหายไปอ่าล่ะเข้าใจได้เข้าใจได้ว่ามีการขยับเส้นเลือดเลือดเลอด เ, ลอดเลือดลมก็เดินปกติ นั่ง น, น, นานๆก็อาจจะเลือดลมติดขัดบ้างนั่งพับอยูแต่ขณะที่นั่งนั่งอยู่ดีๆเนี่ยไม่ได้ขยับเลยเนี่ยอยู่ในท่าเดิมที่กําลังปวดปวดปวดปวดแทบจะตายเนี่ยอยู่ๆดับวับจากร้อยเหลือศูนย์อย่างนี้ผมก็จึงเริ่มเอะใจเลยเท่นั้นปวดไม่ได้อยู่ที่ขา ปวดคือความรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่าขาปวดแต่ไม่ได้ปวดที่ขาจากนั้นพอเริ่มภาวนาต่อไปก็เริ่มค่อยๆเห็นความจริงชัดเจนขึ้นจึงสามารถพูดได้เลยว่าเวทนาทางกายคือความรู้สึกที่เป็นเวทนาอันมีกายเป็นปัจ ใจเฉยๆไม่ได้อยู่ที่กายนั่ง น, นะวันนี้ท่านจะเข้าใจแค่ไหนฟังไปก่อนฟังไปก่อนฟังสิ่งที่ถูกและเป็นความจริงไปก่อนนะเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมถอดมาจากพระไตรปิฎกไม่ต้องห่วงเวทนาอันเกิดจากกายอันเป็นปัจจัยไม่ต้องกล่วงถูกทุกคำํำนะผมไม่สร้างคําขึ้นมาเองแน่ นี่คือคำว่าเวทนาทางกายส่วนใครจะเข้าใจได้แค่ไหนเอาดับปฏิบัติไปเรื่อยๆทีนี้เวทนาทางกายเมื่อเกิดขึ้นก็ส่งผลเป็นปัจจัยต่อไปเช่นกันเข้าสู่เวทนาทางใจได้ออกไหมเมื่อปวดขานะเป็นสัพท์ที่เราเรียกกันเองว่าปวดขาเพราะเราปวดเหมือนก็อยู่ที่ขานี่แหละนะปวดขาเสร็จแล้วเราก็เป็นทุกข์ใช่ไหมละ่ะใช่เป็นธรรมดา นะธรรมดาพูดทั่วไปนะเมื่อปวดขาก็ปวดใจพูดง่ายเมื่อเกิดเวทนาทางกายก็เกิดเวทนาทางใจอ๋อมันก็ซึ้งทีนึงก่อนเพราะฉะนั้นท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยปวดขาจังทุกข์จัฉันไม่อยากเราจะรู้สึกรวมๆกันนะว่าปวดขากับปวดใจอันเดียวกันอย่างที่ผมที่ที่ผมยกตัวอย่างว่ามีคนมาถามผมว่าอาจารย์อย่างนี้รถชนก็ ตกนรกก็เจเพราะว่าปวดก็เป็นความทุกข์แล้วก็ตายลงไปผมเฮ้ยเจี่ยวกันตรงไหนแล้วก็พอปวดแล้วก็มีความทุกข์แล้วก็ตายกับความทุกข์ก็ไปทุกขติภูมิใช่ไหมผมคอนเทน์เดี๋ยว เ, ยวเข้าใจผิดละะเอาละ่ะถ้าคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยสมมติผมมาอธิบายอย่างเงี้ยมันก็ไหลบอยนะเหนื่อยคยๆเหนื่อยไปแต่เขาก็อะไรพูดอะไร แต่พวกท่านมาถึงตรงนี้แล้วก็น่าจะพอจะนึกออกแล้วนั่งสมาธิกับมากระถิ่งหลายบาลังปวดขาแล้วก็ปวดใจปวดขาแล้วก็ปวดใจทีนี้มันคลเราคือเวทนาทางกายแล้วก็ส่งผลเป็นเวทนาทางใจนะเวทนาทางกายก็ส่งผลมาเป็นเวทนาทางใจะเหมือนกับเปิดสวิตช์ตรงนี้ไฟก็ติดตรงนี้เปิดสวิตช์ตรงนี้ไฟก็ติดตรงนี้เอาล้วนะเข้าใจนะแสดงว่าคนละตอนกัน ทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อเกิดเวทนาทางกายจะเกิดเวทนาทางใจอริยชนผู้สดับเมื่อเกิดเวทนาทางกายจะไม่เกิดเวทนาทางใจแล้วท่านก็อุ ป, ปมาขึ้นมาว่าดังเช่นบุรุษถูกลูกศร บุรุษถูกลูกศรยิงพุ่งเข้าไปบุรุษผู้ถูกลูกศรดอกแรกทิ่มเข้าไปเนี่ยเวทนาทางกายเกิดแต่จากนั้นมีหมอมารักษาพระเจ้าบอาว่ามีหมอมารักษาหมอก็จะดึงลูกศรออกแล้วก็รักษาแผลบุรุษผู้นั้นไม่ยอมให้หมอดึงลูกศรออก แต่กลับบอกหมอว่าหมอผมต้องรู้ให้ได้ว่าใครมันเป็นคนยิงนะมันยิงผมทำไมแล้วมันใช้อะไรยิงลูกสอนนี่ทำมาจากอะไรแล้วไอหางลูกสอนเนี่ยมันเป็นคนของนกอะไรมันใส่ยาพิษมาในลูกรอนไหมผู้เจ้าบอกว่าบุรุษผู้นั้นเนี่ยคล้ายๆสมควรตาย <c oughs> คือนอกจากมันเจ็บเพราะลูกศรดอกแรกแล้วเนี่ยมันยังเจ็บกับลูกศรที่มันก่อขึ้นมาดอกที่สององีกท่านยังบอกว่าผูุ้ชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยโดนลูกศรสองดอกดอกแรกเนี่ยทิมเข้าไปเจ็บอยู่แล้วเจ็บเป็นเจ็บอยู่แล้วเจ็บอยู่แล้วดอกสองเนี่ยมันเจ็บใจมันยอมไม่ได้มันเจ็บใจ สิ่งที่เขาควรทําก็คือ ร, รีบรักษาแผลเรื่องมันมีแค่เนี้ยถ้าเป็นตามเนื้อเรื่องแต่ในส่วนอริยะบุคคลผู้ศักดิ์พระองค์บอกว่าเมื่อโดอนลูกศรเข้าไปดอกแรกเนี้ยเจ็บเหมือนกันไม่ใช่ไม่เจ็บเจ็บแต่ไม่มีความทุกข์ใจเจ็บเจ็บเจฉยเฉยเห นั่นแหละคือ <c oughs> ไม่ได้จะพูดว่าอะไรคือมันเจ็บเดียวเดียวอะวันนี้เวลาท่านปวดขาท่านปวดขาเดียวเดียวไหมหรือท่านปวดใจไปด้วยคือมากันเป็นคู่คือจะซื้อแพ็ก ค, คู่หรือซื้อแพ็กเดียวหรือว่าเรามาแพ็ก ค, คู่ตลอดจะได้รู้ไว้ว่าในความเป็นจริงของเวทนาคือแยกส่วนนะ เอาละตอนนี้มันจะม า, มาแพ็ก ค, คู่กันไม่เป็นไรแต่ขอให้มันเห็นว่ามันแยกกันนะวันข้างหน้าถ้ามันปฏิบัติไปเนี่ยถ้าจิตตั้งมัน่นฝึกไปเรื่อยๆจนจิตตั้งมัน่นอย่างที่ผมบอกมันจะเกิดอาการกระพิบนะอันนี้เกิดอันนี้เกิดอยู่แล้วผู้ชายถึงบอกอริยชนผู้สดับก็เกิดเวทนาทางกายนะแต่ไม่มีตรงนี้แต่ระหว่างปฏิบัติเราเกิดตรงตรงนี้แล้วก็เกิดตรงนี้ เดี๋ยวๆก็เกิดตรงนี้แล้วก็เกิดตรงนี้เดี๋ยวก็เกิดตรงนี้เดี๋ยวก็เกิดตรงนี้แล้วก็เกิดตรงนี้เกิดตรงนี้เกิดตรงนี้แต่ตรงนี้เกิดนิดเดียวแล้วก็เกิดตรงนี้ตึ้ยเกิดนิดเดียวอย่างเงี้ยนะท่านจะเริ่มเห็นอะไรเมื่อก่อนถ้าตรงนี้เกิดสิบตรงนี้เกิดสิบจากนั้นตรงนี้เกิดสิบ ตังนี้เกิดห้าเอ๊ะนะเกิดสามตัวนี้เกิดหนึ่งอะไรเงี้ยเริ่มไม่ค่อยสัมพันธ์กันละนะพอมันไม่สัมพันธ์กันเมื่อไหร่ท่านจะรู้เลยว่าคนละส่วนไม่ใช่ของเราละนะเอาละเพราะฉะนั้นปฏิบัติจิตตั้งมั่นอย่างเดียวจิตต้องตั้งมั่นถ้ามันไม่ตั้งมั่นมันไม่ตื่นขึ้นมามันไม่ผงักออกมามันไม่หลุดออกมา ทำยังไงก็ได้จากฟังแต่ถ้าเมื่อไหร่มันสามวันนี้ท่านทาอย่างที่ผมบอกมาสามวันเนี่ยผมว่าท่านชักรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วโอยนึกว่าเห็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่อย่าไปอะไรกับมันนะอย่าจะไปดึงเป็นตัวตนขึ้นมาอีกละ่ะแค่เห็นสิ่งที่เกิดดับแค่เห็นสิ่งที่เกิดดับจะขยับขึ้นไปอีกนิดนึง จากอ่าปถมเข้าสู่มัธยมก็เห็นความเป็นปัจจัยซึ่งกันและ ก, กันอันนี้เป็นผลมาจากเหตุเป็นผลมาจากเหตุเอาละอันนี้ขึ้นจะว่ามัธยมก็ไม่ถูกนี่จะเข้ามหาลัยแล้วนะะเอาละยังไงก็แล้วแต่ละให้เห็นอันนี้จังไว้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ที่เราจะมาคุยกันในส่นนี้ เมื่อจิตตั้งมั่นเมื่อมีสัมมาสมาธิเมื่อเข้าไปเจริญสติปัฏฐานสนีะ่โดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นะํำรู้ว่าอะไรจะกําลังทําอะไรแล้วอย่าปล่อยให้สมุทัยมันขึ้นมาอีกอย่างเช่นนั่งสมาธิอยากสงบตอนนั้นสมุทัยขึ้นแล้วนะทุกสมุทยัยสมุทัยคือตัญหาคนะวามอยาก เป็นสมุทยัยผลเป็นทุกข์ถ้ามีตัณหาก็มีสมุทยัยนกะ่อให้เกิดตัวตนก็ตัวตนก็เป็นสมุทยัยนะเราอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ผลก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นนั่งสมาธิอยากได้ความสงบจิตตั้งไว้เป็นสมุทยัยผลเป็นทุกข์ทำไมวันนี้นั่งไม่ดีเลยบัรลังนี้นั่งไม่ดีเลยบรรลังที่แล้วยังดีอยู่เลยอ้าวไหนว่าเห็นอ น, นิจจ์หน่อยทำไมจะให้ดีเหมือนเดิมเลยหรอ เห็นไหมแป๊บเดียวสมุทัยเข้าแทรกผลเป็นทุกข์ก่อความที่นั่งบาลังที่แล้วเกิดเป็นตัวตนทันทีเห็นไม่มันอดไม่ได้เพราะความเคยชินความเคยชินที่จะให้ได้อะไรอะไรเป็นไปดังใจก็ความเป็นตัวตนนั่นแหละที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นถ้าถาจิตตั้งไว้ผิดนะไม่มีสัมมาทิฏฐิตั้งแต่ต้นนะ ทำยังไงก็วนปฏิบัติยังไงก็วนกลับที่เดิมไปเสริมตัวตนอ่ะถ้าบัลังหนั่ไหนนั่งได้ดีสงบดั่งใจหวังนะอะไรเกิดขึ้นเดินยิ้มออกมาเลยนะฮ อ, อยากจะประกาศให้โลกรู้จริงๆนะบัลังที่แล้วกูแม่สนุกเอส้สงบคิแต่งเลยนะนี่ที่คุณโทษเนนะียขอพูดหน่อยยานหมาเห่ามันจะเกิดนะ จะทนไม่ไหวจะเข่าหอนก็นนะขอประธานทว่าวอาจารย์ขอขึ้นแทนได้ไหมเนี่ยนะบัลลังก์เมื่อกี้มันดี ด, ดีจริงๆเละมันทนไม่ไหวนี่ไงนี่ไงตัวกูมันดังเปิ้นออกมาเลยมันปิ้นออกมาเนี่ยอ่ามีใครจะขึ้นพูดไห้ครับจะขอทีสามวั น, นตแต่ปฏิบัติมาไม่เคยทําได้ดีขนาดนี้โอ้โหทนไม่ไหวเลยเนี่ยอาจารย์ <c oughs> นั่นนน น, น, น, นสบู่ไทย แล้วบอกมาปฏิบัติตามมักที่ได้ปฏิบัติตามสมุทยัยปฏิบัติตามมักผลก็เป็นนิโรธถ้าปฏิบัติตามสมุทัยก็ผลเป็นทุกข์ก็สิเชื่อไหมลนะ่ะไม่ได้มาไ ม, ไม่ได้บอกให้เชื่อนะทุกสมุทัยนิโรธมักรูร้จักกันมาตั้งแต่ท่องกันมาตั้งแต่เด็กนะกิจในอริยศาส์ทุกควรรู้ สมุทัยวละนิโรธควรทาให้แจ้งมักควรเจริญเมื่อเจริญมักผลคือนิโรธถ้าไปเจริญสมุทัยผลคือทุกข์ถ้ายิ่งปฏิบัติยิ่งเกิดตัวตนผลคือทุกข์อ้าวมานั่งสมาธิ น, นี่ไม่ใช่มักเหรอดูคล้ายแต่อยู่ที่นี่อยู่ที่สมาทิฏฐินี่ว่าตั้งไว้ยังไง ถ้าตั้งไว้อย่างนี้ผลก็เป็นอย่างนี้ถ้าตั้งไว้อย่างนี้ผลก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าถ้าไม่เริ่มจากสัมมาทิฏฐิปฏิบัติเท่าไหร่ก็วิ่งไปให้กำลังฝั่งนี้หมดแล้ววันนี้โอ้โหตอนนี้นะเธอฉันน่ะจริงๆก็ไม่ได้มีตัวตนตไม่อยากพูดหรอนะว่าฉันเนี่ยน่าจะ ไปแล้วเนี่ยแต่ฉันยังคงไม่ใช่หรอกแต่ว่าแม่นะไอ้พวกนี้นะ่ะนะนบ้างก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะมาบอกผออาจารย์กลัวคุณแม่จะบาปจริงๆเลยมาทำไมอีกปฏิบัติแล้วแม่ก็จะบาปด้วยวันก่อนแม่เนี่ยดุเสร็จดุดุหนู <c oughs> ดุเะไรแล้วแม่ดูลูก <c oughs> แม่คงไม่รู้หรอกว่า หนูก็เป็นอะไรแต่จริงๆหนูหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูเป็นอะไรนะอาจารย์ในใจผมก็ไม่อยากเบรคเลยนะคือโทษนะคือถ้ามึงไม่คิดแต่มึงคงไม่มาคุยกูหรอกนะถ้าไม่คิดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่พอมึงคิดนะมังถึงต้องมาบอกกูเพราะมันอัดอัอ้นทนไม่ไหวเนี่ยกลัวแม่จะบ่าปจริงเเกี่ยวอะไรอ่ะปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไปดิแล้วแม่เกี่ยวอะไรวันนั้นแม่มาดูหนู ทำไมอ่ะคือผมก็ยังไม่เก็ตนะทีแรกเนะี่ยคือคือหนูเนี่ยคือสภาวธรรมเนี่ยนะช่างมันอย่างนี้อย่างนี้นะคือ <c oughs> ก็กลัวแม่จะบากผมบอกผมก็เริ่มเริ่มเก็ตละอ๋อเอางี้นะเขาไม่อยากเบรคเขานะคือพ่อแม่เป็นพระรหันนะไม่ต้องห่วงนะพระราหันด่าพระโสดาบันได้ <c oughs> <c oughs> คือผมไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนะ คือก็เธอว่าเธอเป็นพระโสดาบันแล้วอะ่ะก็อย่างนั้นอย่าห่วงเลยถ้าละหันดา่าพระโสดาบันไม่บาปหรอกไม่ต้องหวงอะนะอ่วงนะอะไปละก็ผมฝากไว้นิดเดียวแค่นั้นอะ่ะไปทางไหนก็อย่าบอกมาเข้าคอทผมก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> คือมันนะเพราะฉะนั้นประเภทที่บอกว่ากลัวคนอื่นจะบาปเพราะว่ามาด่าตัวเองเนี่ยนะโอ <c oughs> <c oughs> ้เต็มเต็มเต็มเต็ม เอาล่ะวกมาเข้าอาริยสัจนิดเดียวเพื่อให้เห็นจะได้บรรยายง่ายขึ้นเดียหน่อยแต่เดี๋ยวค่อยไปพูดกันทีหลังวันท้ายๆเต็มๆเรื่องเพราะนี่แหละคือหัวใจหัวใจเลยอริยสัจเนี่ยหัวใจเลยเพราะคำก็บอกอยู่แล้วนะอริยสัจจะเนี่ยความจริงที่ทำให้ผู้ที่เข้าถึงเป็นอริย ภาษาเนี่ยปงเต๊ะนะความจริงอันประเสริฐที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะบุคคลแปลตรงๆเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเพียนเลยคาเนี่ยดังนั้นถ้าตรงนี้คือความจริงอันประเสริฐเราคืนนี้จะมาดูประตูที่จะเดินไปถึงความจริงนั้นถ้าไม่ผ่านประตู จำไว้เลยว่าไม่มีวันเจอถ้านั่นคือกล่องขุมทรัพย์ถ้าเดินเข้าผิดประตูอย่าไปหวังจะเจอกล่องขุมทรัพย์นะเอากันนี้ง่ายหรือไปเข้าประตูผิดนะไปเข้าประตูสมุทัยเนี่ยไปก่อตัวตนขึ้นมานะ่ยเลิกได้เลยไปเจอผิดกล่องแล้วนึกว่ากล่องนั้นนะ่ะคือคำภีร์อันสุดยอด เปิดผิดกล่องแล้วยังหลงคิดว่าเป็นคำภีร์ที่สุดยอดด้วยแล้วเมื่อเปิดผิดกล่องแล้วหลงคิดว่าเราได้เจอคำภีร์ที่ถูกแล้วนําไปบอกสอนมีคนถามผมว่าการที่คนสอนผิดแต่เขามีเจตนาดีในการที่จะช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์แต่เขาสอนผิดอย่างนี้เป็นบาปไหมอาจารย์ ผมว่าท่านก็ตอบแทนผมได้แต่ผมอาจจะบอกว่าไอ้เรื่องบาปเนี่ยใครๆก็ตอบประเด็นนี้ได้แต่ปัญหาเนี่ยมันเลยตรงนั้นไปอีกผมบอกเลยว่าเมื่อคนที่เขาเข้าใจผิดนึกว่าเขาเห็นธรรมแล้วเขานำธรรมนั้นไปบอกคนอื่นให้เดินตาม คนจะเดินตามแล้วก็ไปผิดประตูอีกแต่คนแรกที่บาปที่สุดคือจะหลงวนอยู่ในความเห็นผิดนั้นก็คือคนสอนคนสอนจะปิดประตูลั่นดานตัวเองแล้วก็จมอยู่ในโลกมืดนั้นเองส่วนคนฟังถ้าวันไหนได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องจริงๆ มีสิทธิที่จะพลิกกลับได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นผู้เจ้าถึงได้ตรัสเอาไว้สองครั้งในสองกาละในสองเวลาครั้งที่1เหตุปัจจัยที่จะทำให้บุคคลทั้งหลายเข้าสู่พระนิพพานข้อที่หนึ่งก็คือการยานมิตรเป็นเหตุปัจจัยข้อที่หนึ่งที่สำคัญมากที่ผู้เจ้าตรัสเอาไว้การยานมิตรที่สาคัญที่สุดที่พระองค์ตรัสเอาไว้ก็คืออริยมรรค มีองค์8จะเป็นกันลยาณมิตรวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังอยู่ท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าคือยอดกัลยาณมิตรอริยมรรคมีองค์8มีความหมายเสมอเทียบเท่ากับพระองค์ก็คือพระธรรมที่จะอยู่ต่อไปแม้วันที่ท่านอยู่ก็คืออริยมรรคมีองค์แปแม้วันที่ท่านไม่อยู่ก็ยังคืออริยมรรคมีองค์แป ที่จะพาสัตว์โลกทั้งหมดก้าวข้ามโอฆะหรือวัฏตานี้ไปจนได้นะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคือกันระยานมิตรข้อที่สองท่านไม่ได้ตัดในวัไม่ได้ตรัสในวาระเดียวกันไม่ได้บอกว่ามีสองข้อแต่อีกครั้งหนึ่งจากการมีคนถามขึ้นมาพระองค์ตอบว่าโยนิโสมานาสิกาคือการพิจารณาโดยแยกคายด้วยตัวเองะ่ะ ต่อให้เรามีกัลยาณมิตรที่ดีทุกคนจะนึกถึงกัลยาณมิตรคือผู้ที่พาไปสู่การปฏิบัติธรรมนั่นคือคำว่ากัลยาณมิตรที่พวกเราเข้าใจก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่อย่าลืมนะกัลยาณมิตรเองก็พาไปผิดคอร์สเหมือนกันก็พาไปหลงทางได้เหมือนกันทั้งทั้งที่เขาเองก็ปรารถนาดีเช่นกันพาไปฟังสิ่งที่หลงหลงไหมพ่ะอาจจะหลงแต่หลงพาะอาจจะ ด้วยความนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่หรืออาจจะเป็นข้อเสียเลยก็ได้ความที่สื่อมีอยู่มากมายสามารถโยนิโสมาสิการได้เองอย่างมากมายอันนี้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคําว่าโยนิโสมารติการคนก็จะเริ่มสงสัยต่อไปอีกขยักหนึ่งก็คือว่าอืมคือคนแต่ละคนที่โยนิโสก็ไม่ได้จะถึงธรรมจากแค่ไหน แล้วจะใช้อะไรพิจารณาล่ะพอกฟังดูก็อืมก็ใช่เนี่ยฟังอันนี้ก็มันก็ถูกนะฟังอันนี้เอออันนี้ก็ก็น่าจะใช่เอออันนี้ก็ถูกจริตสรุปแล้วคือไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เอาทั้งเอาภารยนมิตรเป็นหลักก่อนคําสอนที่ถูกต้องก่อนส่วนใครถูกไม่ถูกบางทีก็ฟังไม่ออกเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันพรอผมพอถามมาถึงตรง น, นี้ผมก็บอกว่า สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมคือ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรก็ถ้าเพื่อนมันพาก็สํานักผิดก็ทําไงอ่ะแล้วจะให้ผมไปทําอะไรแล้วจะให้ใครไปทําอะไรเดะก็คงทําสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทําอะไรมาคบใครมันก็ไปอย่างนั้นน่ะก็อย่างนั้นแหละถ้าวันนึงอ่ะมันเกิดเป็นพลิกหรือไม่เข้าใจอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องมาเจอกับผมหรือเจอกับใครทั้งนั้นแ่ะเจอกับผมก็ทําผิดได้เหมือนกัน สุดท้ายมัน ก, ก็กลายเป็นอยู่ที่โยนิโสของตัวเองกันแหละฟังทำสมมุติเราพูดออกไปเนี่ยฟังร้อยคนพร้อมกันเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะปฏิบัติถูกร้อยคนจะเมื่อไหร่อย่างที่บอกว่าธรรมของผู้เจ้าเนี่ยลงไปอยู่ในจิตของผู้คนที่ฟังเนี่ยก็กล า, ายเป็นสัตรธรูปฏิรูปทันทีถ้าไม่ใช่ผ้าอรหันต์แต่ละคนก็คิดแบบนึงจากตัวกูก็คิดแบบนึงอ๋อต้องแบบนี้ที่อาจารย์บอกต้องแบบนี้คนผมไม่ใช่ต้องแบบนี้ทนะําล้วไปดิกษัตริย์โลกเป็นไปตามกรรมแนละ้วท่านะ ถูกพอดีหรือว่าบางทีผมก็บอกว่าคนเนี่ยนะถ้ามันจะถึงทำเนี่ยทําผิดมันก็ถูกนะไอ้คนมันจะไม่ถึงเนี่ยทําถูกมันก็ผิดวะไม่รู้จะพูดยังไงพาถึงตรงนี้นะบางคนมาถึงคุยคุยเยู่เนี่ยไงเนี่ยโอ้มันถึงได้ยงไงวะ <laughs> บางคนโอ้โหม เนี้ยเปลือยคือไปคนละอาวเลยคือไม่รู้จะว่าไงอ่ะไม่รู้จะว่าไงจริงสุดท้ายก็เอาอย่างไงก็อย่างนั้นนะเป็นคนดีแต่ละอยังไม่ได้ไม่ได้ก็ไปทําทานเถอะยังดี <c oughs> เอาละทีนี้เรากลับมาที่ประตูใหม่ เรามาโยนิสโสมานัสิการเราอไอ้ต่ออะไรละประตูสำหรับคืนนี้ที่เราจะพูดถึงเมื่อจิตของเราตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นนะก็จะเห็นอะไม่ว่าความคิดก็ดีความปวดก็ดีเมื่อกี้พูดไปถึงเวทนาสัญญาก็คือการจำได้หมายรู้สังขารการคิดปรุงแต่งอะไรเอ า, เอ า, เอาให้จบไในส่วนของขันนะที่ในส่วนของการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะทีนี้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ย ผมผมเมื่อนำไปสู่การปฏิบัตินักปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องทฤษฎีมากนะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นสองกลุ่มนี้อยู่แล้วคือกายกับใจกายกับใจเนี่ยคือนามารูปนะเมื่อเช้าผมพูดไปนะนามารูป คือสิ่งเดียวกันโดยความเป็นจริงแยกจากกันไม่ได้แต่สามารถเอามาดูตามการกระทำได้คือพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางรูปและนามนะแต่จริงๆคือของที่อยู่รวมกันดังนั้นเราจรึงต้องเข้าไปพิจารณาสังเกตเองเพราะของมันอยู่รวมกันของมันอยู่รวมกันที่นี่กายาวาหนาคือนี่นะอันประกอบด้วยสัญญาและใจอ่ะพูดตรงตามสัพพะไตปิฎกน กายยาวาณาคืออันประกอบด้วยสัญญาและใจนะเวลาผู้เจ้าตรัสก็จะตรัสอย่างนี้ทีนี้การเข้ามาพิจารณาเข้ามาสังเกตก็จะเห็นก็ต้องแยกออกดูจากหน้าที่ของเขาทีนี้หน้าที่เนี่ยก็จึงแบ่งออกไปเป็นชื่อนะออกมาเป็นชื่อชื่อเป็นฐานฐานเช่นฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมแต่จริงๆคือสังเกตเข้าไปที่ส่วนของนามธรรมคือใจ เพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้ามาสังเกตเอาเบื้องต้นง่ายๆเลยกายกับใจสังเกตเข้าไปมีเสียงมากระทบปางใจสั่นไหวจะไม่รู้เนี่มันเวทัน อ, อย่ามัวสงสัยเอาแค่นี้ก่อนจากความถี่ที่ท่านเข้าไปสังเกตมากๆ ม, ม, มันจะเกิดการแยกแยะได้เองนะศัพ์ของผมเองโดยตัวของผมเองจากการปฏิบัติ ด, ด้วยตัวเองเนี่ยผมเรียกกรูปปิ้ง ผมจะมีความรู้สึกเหมือนข้างในมันมีเลขาเนี่ยนะประมาณอย่างเงี้ยนะเลขาก็ทำหน้าที่คือนกะุ๊ปปิ้งพออันนี้ซำ้ซำๆๆซ้ๆๆอ๋อผมจึงเห็นเหมือนกับเวลาคนถ่ายรูปเนี่ยหรือว่าตัวเองถ่ายรูปเนี่ยถ่ายถ่ายถ่ายถ่ายมูนนี่ถ่ายไปเจออะไรถ่ายถ่ายถ่ายเสร็จแล้วสามารถกุ๊ปได้ความเยอะๆกรุ๊ปเป็นกุ๊ปเป็นอะไรเป็นสถานที่เป็นจังหวัด เป็นผู้คนเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นคอสปฏิบัติมันเริ่ม ก, กุ๊บแบบไหนก็ได้ถูกไหมแล้วแต่มิติที่เราจะกุ๊บเพราะอย่างนี้เหมือนกันแม่สังเกตสังเกตสังเกตสังเก ต, เกตมันจะกุ๊บแบบไหนอ่ะจะกุ๊บแบบสติปัฏฐานมันก็สามารถกุ๊บได้ตามการวิจาณญาจิตธรรมจากการสังเกตมากๆจะไปกุ๊บแบบขันห้าก็ไปกุ๊บได้อีกคืออยู่ที่มุมไหนที่วันนั้นจะไปเห็นอะไรขึ้นมาชัด เพราะสังเกตก็ไปเถอกายกับใจเนี่ยเพราะเมื่อสังเกตกายกับใจเข้าไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะถูกแยกเลยโทษที่จะถูกแยกออกจากกันก็คือเราจะมุมไหนเนี่ยใส่เข้าไปก่อนมาแยกความเป็นเราห อ, อกนะ แต่เัน่ะแยกความเป็นเราออกได้เนี่ยนอกจากสังเกตกายกับใจเนี่ยมันไม่พอมันจะต้องมีสิ่งที่ตามมาจะเรียกว่าปัญญาหรือการสังเกตเข้าไปเห็นทีที ท, ท, ทีจนกระทั่งเอ๊ะเอ๊ะอ๋ออ๋ออ๋อขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นก็คือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คืออะไร ลักษณะสามอาการอันเป็นเครื่องกำหนดหมายสามอย่างอันจะให้รู้ถึงความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นธรรมดาธรรมดาเกิดขึ้นมาเรียกว่าธรรมทิตตาความเป็นธรรมดาของสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นมาอะไรคือความเป็นธรรมดาของสิ่งนั้นนั้นหรือสรรพสิ่งนั้นนั้นก็คืออนิจจังหรืออนิจจตาทุกขตาแล้วก็อนัตตา ความเป็นของไม่เที่ยงความเป็นของทุกความไม่มีตัวตนนะเอาละเอาอะไรที่เห็นได้ง่ายหน่อยปกติผมก็จะใช้เทียนนะเพราะเทียนจะเห็นง่ายในในการบรรยายเนี่ยสมมติว่าต้องสมมติแล้วล่ะไม่้ทีมงานต้องไปวิ่งหาเทียนหาไฟกันนีก เอาละฮะมีเหรออถ้ามีก็มีไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็ผมว่าท่านก็ดูเอาแล้วกันนะสมมติว่านี่เป็นเทียนแล้วผมก็จุดไฟนะไฟมันก็ไหวปุปุ๊บปุ๊ไฟมันก็ไหวไปเทียนก็ค่อยๆหดลงถูกไหมเพราะเราจะเห็นง่ายมากเราจะเห็นถึงความเราจะบอกว่าความไม่เที่ยงเจ้าของเปลวไฟก็ดีเจ้าของตัวเทียนก็ดี เจ้าของรูปที่เราเห็นดีบว้ยไปโว้ยถูกไหมถ้าใครเห็นลึกเข้าไปอีกก็จะเห็นความที่รูปที่กระทบไม่เที่ยงตาเกิดเกิดดับดับตาเกิดเกิดดับๆับไม่เที่ยงนะวิญญาณรับรู้ก็เกิดเกิดดับดับเอาละผมพูดทุกระดับเลยนะใครเห็นตรงไหนก็เข้าใจตรงนั้นถ้าท่านเห็นว่าก้อนนี้ไม่เที่ยง ก็เอาตอนอย่างนั้นอันนี้นอกๆเลยนะไม่ใช่อายตนะภายนอกนะเห็นของนอกๆนี่แหละอันนี้ก็ไม่เที่ยงไอ้ไฟก็ไม่เที่ยงไอ้น้ำตาเทียนก็ไม่เที่ยงนะพอวิ่งเข้ามากระทบกลายเป็นอายตนะภายนอกกระทบนะตาเกิดดับไม่เที่ยงแสงแว๊บๆแว๊บๆแว๊บๆม่อเช่าผมทําให้ดูแล้วนะ iPhone เกิดดับเกิดดับเกิดดับ จริงๆก็คือตาของเราเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลานะภาวนาไปถ้าจิตตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งมั่นสรงชานขึ้นเรื่อยๆก็จะเห็นชัดชัดชชัดชชชัดขึ้นไปโดยลาดับนะจะเห็นว่าตาก็ไม่เที่ยงทีนี้ผู้มีปัญญาจะย้อนกลับไปเห็นว่าวิญญาณการรับรู้ก็ไม่เที่ยงอ่ะเกิดเกิดดับดับเช่นกันเพราะฉะนั้นครบถ้าเห็นกระบวนการนี้ไม่เที่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่ง อาจจะไม่ต้องถึงขั้นนี้ก็ได้นะถ้าเอาเอาเ อ, าอะไรสักอย่างไนียตั้งเห็นขึ้นจริงเนี่ยก็จะเริ่มเบื่อหน่ายใครความยึดถือเอาละแต่ว่าเราจะกลับมาที่อนิจจังก่อนอนิจจังไม่เทียงเราได้ยินกันมาบ่อยทุกขังเข้าไปยึดถือแล้วเป็นทุกนะเอาความหมายง่ายๆแค่นี้อนัตตาความไม่มีตัวตน เวลาฟังอย่างนี้งงนะงงไหมอนาตตาไม่มีตัวตนเนี่ยตอนผมมาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะอันนี้จังทุกขังอนาตตามีคนบอกว่าอนาตาก็คือความไม่มีตัวตน่ะมันก็ไปไม่ไปถึงนะไม่เป็นยังไงว่าความไม่มีตัวตนบางทีก็ได้ยินบางท่านก็ให้ความคํานิยามใหม่เช่น มันไม่ใช่ตัวตนถาวรก็พยายามทำความเข้าใจตามไม่ใช่ตัวตนถาวรแล้วมันไม่ใช่อนิจจังเลยนไม่ใช่ตัวตนถาวรโอเคก็ฟังไป<อ>การที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัเเยเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยตัวเราเนี่ยเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยยังไงนะ พ่อแม่เหรคือแรกๆก็ไปไม่เป็นน่ะคือนึกไม่ออกจริงนึกไม่ออกเลยเอาล่ะที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกที่พูดขึ้นมาก็จะให้ท่านหมายความว่าไงอาจารย์ก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรวันแรกผมก็ไม่รู้เรื่องอย่างนั้นละ่ะจนปฏิบัติเข้าไปแล้วก็เข้าใจเห็นเองอะ่ะทีนี้นิยามศัพท์ได้เองนิยามศัพท์ได้เองผมอาจจะนิยามออกไปอีกคำหนึ่งท่านก็บอกอะไร เหมือนกับที่ผมฟังคนที่เขาเห็นแล้วเขาก็นิยามออกมาให้สุดท้ายแล้วผมว่าสําหรับผมว่าวันนี้ง่ายสุดก็คือคําว่าอนัตตาคือ <c oughs> มันสิ้นเลืองกันไปเลยเอาแล้วแต่ว่าอะไรจันอย่าแปลเลยนะ <c oughs> คือยิ่งแปลมันยิ่งงงก็พอเห็นความเป็นอนาตาัตตก็จะเข้าใจความเป็นอนัตตาพอแปลก็จะยิ่งเปิดแล้วก็ออกไปไกลออกไปเรื่อยๆนะเอาเป็นว่าความเป็นอนัตตา เทียนแสดงความเป็นอนิจจังแสดงความเป็นอนัตตาที่ไม่ใช่ตัวตนเอาอย่างนี้ก่อนอยู่ที่เทียนนะอยู่ที่เทียนอทุกคนเปิดหนงังสือสดมนหน้าอะไรนะหน้าเก้ารัตนนัตยยักนะ อาลและแั้วหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเนี่ยน ะ, ะนำสวนเลยตรงนี้เอาแค่ส่วนตรงนี้ได้ไ้ยนำไปถึงจนหน้าเนี่ยจนถึงอสวดไปก่อนเดี๋ยวผมบอกให้หยุดเลย อ่ะเริ่มตั้งแต่อันหนึ่งนะอ่ะทุกคนเปิดแล้วนะครับอ่ะสวนมนนะพนมมือนะอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปบางอนิจจารูปไมเทียมเวทนาอนิจจา เวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังคาราอนิจาาญญานานนจาสำค่ญญาไม่เที่ยงวิญญาณอนิจจาวิญญาณไม่เที่ยงรูปัอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนิจจา สังผัสราณาตาสัมขาสไม่ใช่ตัวตนวิญญาณอนาตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังผัสราอณิจารสัมขาสทั้งหลายทั้งปวงไม่เทีย่ยงสัพเพธรรมาณาตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัว ท่านสวดย้อนกลับมาหน้าหน้าที่แล้วนะอันหนึ่งเวลาเราสวดเนี่ยด้วยความที่เราอาจจะมัวแต่สวดนะเราก็จึงเข้าไปไม่ถึงสาระถึงอัตถะถึงความหมายนะเพราะจริงๆเราสวดกันทุกวันนะอาจจะอยู่ในคอสอะไร เ, เราสวดกันทุกวัน หรืดนอกหรืออยู่ที่บ้านท่านก่อจะสวดทุกวนันนะทำวัดเช้าแต่สวดผ่านเราลองมาดูกันมาดูกันอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากนี่แสดงว่าไม่ใช่คําที่พระพุทธเจ้านํามาบอกตรงๆแต่สาวกเนี่ยนํามารจนาแล้วก็ผูกกันขึ้นมาเป็นบทสวด ผู้ที่รจนาหรือว่าสวดขึ้นมาอาจจะเป็นชุดแรกๆซึ่งก็ไม่ทราบวมอะไหรนะก็นำมาบอกเลยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากเลยซึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่ในพระตรปิฎกก็คำสอนที่พู้เจ้าสอนมากก็คือตรงนี้แหละมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจ่วิญญาณังอนิจจังนะ อขันห้าถูกไหมอันิจจาอันิจจังไม่เทียมถูกไหมขันห้าไม่เทียมรูปังอนัตตาเวทนาลงมาเรื่อยๆจนถึงวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนผมถามว่าทุกขัง หายไปไหนสวดมาทั้งหมดเนี่ยคลิกขึ้นมาบ้างไหมว่าทุกขังหายไปไหนพิมพ์ตกคงต้องรื้อกันเยอะเลยเพราะทุกเล่มเป็นอย่างนี้หมด ถ้งั้นย้อนกลับขึ้นไปใหม่ย้อนกลับขึ้นไปข้างบนความทุกข์ทั้งหลายจากหน้าที่แล้วหน้าแปดไปปลายเนี่ยความเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ความโศกพิริพิไลลาพันเป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ตอนต้นบรรทัดที่เก้าหน้าหนะ้าเก้าว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เอาละรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแล้วนะ รู้แล้วทีอุปท า, านในขันน่ะเป็นทุกเป็นตัวทุกเป็นตัวทุก <c oughs> เพราะอุปท า, านในขันเป็นตัวทุกข์เนี่ยเมื่อกี้ขอประทานโทษไม่เปิดกลับแล้วนะตรงนี้คือทุกสมุทัยโน้นมากถูกไหมทุกคือว่าโดยย่อ อ, อุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกขคือตัวแรกในอริยสัจ อุปาทานขันหเป็นตัวทุกขันห้าไม่ใช่ตัวทุกขันห้าไม่ใช่ตัวทุกอุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกนอนะต่อนะเฮ้ย ไม่ต้องเฮ้ยอะไรหรอกยังไม่รู้เรื่องหรอกนะนึกว่าจะรู้ย้มย้ยง้งยั้งใจเย็นนะบอกไว้7เจ็ดปีข้างหน้าโอ้โหไม่ต้องรีบหรอกว่าโดยย่อประธานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกไม่ใช่ขันห้าเป็นตัวทุกย้ำนะจากนั้นดูบรรทัดต่อมาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รูปูปาทานะขันโทอ่ะสวดหน่อยอ่ะไม่ต้องสวดละอ่านเลยขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปดูเดี๋ยวๆๆ เ, เมื่อก่อนเนี้ยผมสวดมนต์เลยนะในความรู้สึกแรกที่ผมสวดมนต์เนี้ยผมสวดมาเป็นตัสามสเณร เ, เนี้ยนะจนกระทั่งสวดมะจนเป็นโยคียสวดมนต์เอาตรงๆเลยนะ ท่านจะรู้สึกเหมือนผมไหมว่าหานันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปแต่ออกไหมคือผมไม่รู้เรื่องอะ่ะผมมานั่งดูแต่ว่าไงอะแล้วในในความรู้สึกของผมที่รู้สึกมาตลอดเวลาผมสวดมน์นะทำไมต้องพูดให้ไม่รู้เรื่องอะ่ะคือทำไมไม่พูดให้รู้เรื่องอะ่ะผมไม่เข้าใจอะ่ะ ทำไมต้องพูดให้ไม่รู้เรื่องอะนะอันนี้คือข้อตัดพอของผมเองนะผมไม่ได้ไปบ่นกับใครแล้วผมก็ได้ไบ่นกับท่านด้วยแต่นี่คือวันที่ผมเข้ามาสู่การปฏิบัติทำไมอะทำไมต้องพูดให้ไม่รู้เรื่องอะนะก็แบบเด็กงงแง่เด็กงงแง่งงงแง่อะไรงเงี้ยนะถ้าพอถึงวันนี้นะผมบอกเลยนะเปลี่ยนคนํานึงก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้ เอยียนที่ก็ไม่ได้ความหมายมันผิดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องงองแงงแบบผมอะ่ะไม่ต้องฮะรู้เรื่องกันไปเลยวันนี้อธิบายรู้เรื่องกันไปเลยเอบอกหมอเนี่ยยาได้ผลผมเริ่มรู้สึกว่าผมกลับมาเหมือนเดิมตอนนี้ผมบินรล้วเลยเนี่ยผมว่า บอกหมอขอเพิ่มเป็นสองเม็ดเลยลนะเนี่ยะจะได้มันยายถึงสว่างกันไปเลยก่อนที่มันจะเอาใส่เมื่อขันอันเป็นที่ตั้งดูดีๆนะเอาละขอพระทัานโทษไม่ใช่จะอะไรสมมุติว่าอย่างนี้คือขันนะเดี๋ยวจะหาวอาจารย์ เชิญยิ้มมาปล่าไม่มาคนละพวกไม่เกี่ยวกันนะนะขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นเอาล่ะถ้าความยึดมั่นก็ไม่ใช่เป็นตัวตนอะไรอุปาทานก็ไม่ใช่เป็นตัวตนอะไรผมแทนด้วยแสงไฟแสงไฟได้คืออุปาทานที่มีตอกขันคือรูปนะนะรูปอ่ะเนี่ยเป็นรูป ซึ่งถูกเรียกว่ารูปบบขันคือกองกองรูปมีความยึดมั่นลงไปที่ขันเนี่ยคือรูปลักษณะนี้แสดงว่ารูปเนี่ยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องรูปไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง ม, อมีมีสภาพโง่ ที่เข้าไปยึดถือมันเองสมมติมีดาราสักคนนึงมีคนหลงรักนั่งดูทางเฟซบุ๊กแล้วหลงรักดาราไม่เกี่ยวเลยไม่รู้เรื่องเลยไอ้นั่นหูทั้งรักทั้งปลื้มทั้งติดรูปเต็มห้องไปหมดมอยากทำมันก็ทำเลยดาราเขาก็ทำงานก็ไปอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าอ่าหน้าเด็อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นของคนโง่อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยนะคือ ก็มีเองโง่มายึดนาเดทเองน้าเดทไม่รู้เรื่องเขามีย่าอะไรของเขาเนี่ะแต่ก็มีโง่ไปยึดโห่เพิมน้าเดทเพิ่มกันไปเพืากดจะไลค์จะฟอลโล่อะไรก็ก็เขาไม่รู้เรื่องนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่อินโออิเน่ด้วยไม่อินโออิเน่เลยอ๋อแปลอย่างนี้เหรออย่างนี้แล้วเปลี่ยนคําไหนอะจะเปลี่ยนคําไหนเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนปั๊บไปกันคนละเรื่องเลย เพราะเขาไม่เกี่ยวด้วยเอาแล้วนะทีนี้พอไม่เกี่ยวเวทนาล่ะเหมือนกันสัญญาเหมือนกันสังขารวิญญาณแบบเดียวกันขันถูกยึดมั่นถือมั่นเองด้วยความไม่รู้ที่มีชื่อเรียกบัญญัติว่าอาวิชชาอาวิชชาไม่ใช่ตัวใคอยู่ใคอยูย่มาจากไหนมันคือความไม่รู้ เอาที่ทํานี้เอาไม่ใช่เหรอนั่นละความไม่รู้มันไม่ใช่ไม่รู้อะไรมาจากไหนมาทําให้โหสัตว์โลกหน้ามือตามา่ไม่ใช่คือมันไม่รู้มาตั้งต้นนั่นแหละมันไม่รู้มันถึงทําลงไปพอรู้ขึ้นมาตื่นขึ้นมาเบิกบานขึ้นมานั่นแหละก็เรียกว่ารู้ตื่นเบิกบานขึ้นมานะก็ออกจากความไม่รู้เข้าสู่วิชชาขึ้นมา เอาละทีนี้แสดงว่าขันไม่เกี่ยวถูกไหมขันไม่เกี่ยวเรากลับมาใหม่ตอนนี้ข้อมูลท่านพอละผมถึงเวลาทุบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังอืมใช่ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนใช่แล้วทุกขังหายไปไหนทุกขังคือสภาพของมีผู้เข้าไปยึดถือจึงเกิดเป็นผู้ทุกข์ขันไม่ได้ทุกข์แต่มีบุคคลหรืออ่าโทษใช้คำว่าบุคคลไม่ได้มีสภาพการเข้าไปยึดถือ จึงก่อให้เกิดผู้ทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในบทนี้ทั้งหมดพูดถึงขันห้าไม่ได้พูดถึงผู้ที่เข้าไปยึดถือแต่ถ้ามีผู้เข้าไปยึดถือขันห้าเมื่อไหร่คนคนนั้นจะเป็นทุกขตัวขันโดยสภาพมีสภาพเป็นไตรลักษ อ้าวก็ไหนว่าไม่มีทุกขังเลสภาพทุกแต่ว่าสภาพที่มันบีบคั้นไม่สามารถทรงสภาพได้นี่อีกความหมายในอีกนัยยะหนึ่งนะมีนัยยะในพระไตรปิฎกที่พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวขันเองมีสภาพทุกขแต่ไม่มีผู้ทุกเนื่องจากว่าขันเองไม่สามารถทรงสภาพให้เสถียรได้เนื่องจาก ความแปรเปลี่ยนเนื่องจากตัวมันเองเป็นอนัตตามันเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยสมมุติมีซากศพอันหนึง่งอยู่ในนี้อะเยน็นมันก็เปื่อยช้าลงเน่าเปลือยช้าลงพอเขาปิดแอร์ปัป๊บมันก็เน่าเปื่อยเร็วขึ้นตัวมันเองก็ค่อยไหลออกอะเหมือนเหมือนสุนัขที่เราเคยเห็นถูกชนอยู่ข้างถนนจากวันแรกก็อาจจะเห็นพวกนน่าสงสารจัง ไอ้วันสองวันสามตัวมันก็เป่งเปงเปออกนะขายชี้ฟ้าแล้วสักพักน้ําก็ไหลออกมานะถ้าไม่มีเทศบาลมาเก็บมันก็ไหลไหลไหลไหลสักพักหนึ่งสามวัเออสักเจ็ดวันสิบวันตัวมันก็แฟบนะแฟดไปแฟดไปแฟดไปตอนนี้มีภาพหมานอนน้ําไหลอยู่ในใจท่านยังไหลแล้วนะดําแล้วน ะ, ะดําแล้วเจ็ดวันแล้วนี่นก็เริ่มแบนลงแบนลงแล้วนะตอนนี้ก็แบนแล้วนะอยู่ข้างถนนแล้วนะแล้วก็กลายเป็นฝุ่นฝุ่นผงแล้วก็หายไป อ๋หายไปไหนล่ะเทศบาลก็ไม่ได้เก็บก็หายไปไหนละ่ะก็หายไปไหนละ่ะก็ไปอยู่ในตะปอดพวกเราแหละจะไปอยู่ตรงไหนก็อยู่มาหายใจกันต่อไปเนะี่ยเราไปสร้างเลือดสร้างเนื้อสร้างกระดูกให้เราแหละไปทางไหนนะไหลลงไปในน้ําน้ํำก็ไปสู่นลําคลองสู่ดินสู่ต้นไม้สู่อะไรก็ออกมาเป็นพืชหญ้า แล้วก็มากินกินแบบขับถ่ายไม่เห็นนี่เป็นเราตรงไหนของเวียนเวียนเวียนเป็นธรรมชาติก็ไปกันเรื่อยเรื่อเร่ยเรนี้ยหาเหตุปัจจัยผลก็มาจากเหตุเหตุก็กลายเป็นผลผลก็มาจากเหตุไหลไปตลอดเนี่ยมีตรงไหนมันเป็นตัวเราอยู่ๆก็เป็นล็อกไปล็อกชั่วชีวิตหนึ่งก็เป็นล็อกล็อกพอล็อกปั้งก็เกิดเป็นตัวตนมาล็อกปั้งก็เกิดเป็นตัวตนขึ้นมาทั้งที่มันไม่เคยหยุดเลย แต่ด้วยธรรมชาติของเป็นตัวตนก็จึงล็อกล็อกล็อกล็อกออกมาจากท้องแม่ก็ล็อกตั้งแต่ออกมาจนถึงตอนนี้ก็ล็อกพอล็อกก็เป็นตัวตนขึ้นมาแต่ถ้าเห็นสภาพที่ไหลเลื่อยเปลี่ยนแปลงมีจต์เปลี่ยนแปลงมีจต์เปลี่ยนแปลงมันจะมีตรงไหนที่มันเป็นตัวตนเพราะความไม่รู้นี่นมันเป็นล็อกล็อกล็อกล็อกช่วงหมดพอล็อกช่วงก็เป็นตัวตนล็อกช่วงก็เป็นตัวตนก็เป็นปีใหม่ขึ้นมาพอล็อกนะัดถอยหลังอสิบเก้าแปดจุดก็ล็อกไว้นะ พอศูนย์ปั๊บมันหยุดที่ไหนมันไม่เคยหยุดก็ว่าปีใหม่แล้วก็จุดผู้มันเก่าทันทีมันเก่าทันทีเลยมันเก่าไปเลยแล้วใหม่อยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยจุดไม่ทันมันเก่าไปแล้วไปแช็กมันไม่ติดเก่าเลยเลยไม่ต้องจุดกันปีใหม่ปีนี้ครูนะก็มันไหลไม่เคยรอเลยแล้วก็เป็นล็อกมันจะเฉยอย่างนั้นล็อกขึ้นมาในใจแต่มันก็ล็อก จริงๆก็ไม่ได้ล็อกข้างนอกอข้างนอกมัน ก, ก็ไม่เคยหยุดอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ อ, อ, อยู่ที่นาฬิกาเวลามันก็ไม่ได้อยู่ที่นาฬิกาไอนาฬิกาวันไหนมันสะดุดเดินสะดุดผิดไปสักสองวิมันก็ยิงไม่เท่ากันลับผู้นะมันเวลามันไม่ได้อยู่ที่นาฬิกาแล้วเวลาอยู่ที่ไหนเวลาไม่นอยู่นกาเว ล, ลายอยู่ที่ไหนยินรอใครหน้าห้างนัดกันไว้เก้ามง เก้าโมงครึ่งยังไม่มานานไหมโอ้ยอย่าให้พูดเลยมาเมื่อไหร่มีเรื่องแน่ถ้านัดเก้าโมงเก้าโมงคึ่งยังไม่มาเนี่ยนานไหมล่ะนานถ้าคนเพิ่งเจอแฟนเพิ่งจะจีบเป็นครั้งแรกเนี่ยครึ่งชั่วโมงนานไหมล่ะโอ้แปบ๊บเดียวเองอะไรจะวางหูแลยเออ้าทําไมเร็วอ่ะตกลงนายกายอยู่ที่ไหนอ่าอยู่ที่โง่ไงจริงมผมไม่ได้ว่าใครนะ โอ้โหว่าเต็มเต็มบอกไม่ได้ว่าใครหรือเขาไม่เรียกว่าแล้วอาจารย์เขาเรียกด่ากันตรงๆเลยน่ะ น, นะมีตัวตนเวลาก็เกิดขึ้นนะถ้ามันไม่ได้ก่อตัวตนมันจะเป็นสภาพมันก็เช่นนั้น นั่งรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่กี่ชั่วโมงเปี้ยวแชั่วโมงนานั้ยนานทำให้เร็วกว่านั้นได้ไหมนนั้งคือบินโอเคเปลี่ยนเรื่องได้เลยกลับมาที่ขันหน้าเออโอเคใชได้เลยเรี้ยว เอาละทีนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าทุกขังหายไปไหนเพราะว่าทุกขังเนี่ยไม่ใช่สภาพที่ขันห้าเป็นแต่เป็นสภาพที่มีธรรมชาติเข้าไปยึดถือขันนะมีธรรมชาตินึงเข้าไปยึดถือขันแล้วก็เกิดเป็นผู้ทุกข์ขึ้นมาทางธรรมะเรียกว่าทุกขังคือสภาพของการเข้าไปยึดถือทีนี้มันก็เกิดสภาพ นะทีนี้กลับมาดูสภาพละมาดูสภาพใหม่บนจอก็อยู่ในบทส่วนอยู่ดีนะหน้าไหนนะ 34. สามสิบสี่สัพเพ ธ, ธมาอนัตตาเอ้สัพเพอทำอสะสโทษสัพเพสังขาราอนิจจานะเหมือนกันไหมเนี่ยอความหมายเดียวกันนะความหมายเดียวกันท่านจะดูจากในหนังสือจะดูบนจอก็ได้อะผมจะเริ่มชี้ให้เห็นนะ ถ้าดูในหนังสือก็ได้เวลาท่านมีหนังสือสวดมนต์ที่บ้านการที่ท่านดูในหนังสือเนี่ยมันจะเกิดสัญญาจําได้จากการอ่านแล้วก็ดูในหนังสือนึกออกไหมท่านมีประสบการณ์จากการอ่านเมื่อท่านกลับไปเห็นหนังสือสวดมนต์สิ่งนี้จะระลึกขึ้นมานะการได้ยินได้ฟังการฟังสาธยายในคืนนี้จะระลึกขึ้นมาแต่ถ้าท่านดูบนจอท่านกลับไปดูหนังสือสวดมนต์บางครั้ง มันแอพพลายไม่ได้นะจิตนมันก็จะกลายเป็นฝังจบไปแล้วแต่ถ้าดูตรงนี้แล้วก็กลับไปมีหนังสืออย่างเงี้ยแล้วก็ดูอีกทีมันจะระลึกขึ้นมาอ๋ออ๋อนี่ที่อาจารพูดอ๋อเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ยังไงก็ได้นะไม่ใช่ว่าโอ๊ยทั้งนั้นก็ต้องฮะไม่มีอะไรหรอกผมแค่อะไรมันก็สังเกตให้สกิดให้ท่านสังเกตเท่านั้นเองเผื่อจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกนิดสัพเพสังขาราอนิจจา สังขารคือร่างกายจิตใจแะรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเอาละ้นะมาดูทีละคำสัพเพสังขาราอานิจาร ะ, ะดูบาลีก่อนบรรทัดข้อความต่อมาสัพเพสังขาราทุกขานะแล้วก็สัพเพธรมมา อนัตตานะให้เห็นก่อนว่าสามคำนี้เริ่มมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะมีสองคำแรกที่ดูเหมือนจะไปทางเดียวกันนะสัเพเทสังขาราทั้งคู่แต่ต่อท้ายด้วยอนิจจากับทุกขาแต่ตัวสุดท้ายสัเพเทธรมาอะนัตตาเอาล่ะนะถ้างั้น เรากลับมาดูความหมายหน่อยผมว่าเราสวดผ่านกันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วละนี่คือหัวใจเลยนี่คือหัวใจแล้วก็เส้นทางของการบรรลุธรรมถึงที่สุดมีแค่นี้เองนะถ้าให้ผมสาธยายห น, นังสือสวดมนต์เล่มนี้นะทั้งเล่มทุกหน้าทุกตัวนะท่านไม่ต้องไปหาอะไรอ่านอีกเลย คำพีในการเดินทางสู่ความหลุดพ้นอยู่ในหนังสือสวดมนต์หนึ่งเล่มทุกคนสวดผ่านมาจนไม่รู้เรื่องนกแก้วนกขุนทองมันไปหมดเลยทุกคาเนี่ยผมนั่งดูโอ้โหนี่มันสุดยอดคาพีแล้วสุดยอดคาพีถูกกันเอาไว้ที่นี่ทั้งหมดยังไงสังขารคือร่างกายจิตใจ กายและใจถูกไหมกายและใจพูดกันมาตั้งแต่วันแรกนะกายและใจนะรูปธรรมนามธรรมนะไม่เที่ยงถ้าเห็นว่ากายใจนี้ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปอย่ามองแค่ว่าเกิดแล้วก็ตายแปดสิบปีนะกายและใจก็คือสติปัฏฐานถูกไหมเห <c oughs> ็นความจริง ว่าไม่ใช่บุคคลเราเขาในเบื้องต้นจนไปถอดถอนในเบื้องปลายนะกลับมาที่สัพเพสังขาราซึ่งเหมือนเหมือนกันแต่จบด้วยทุกขาร่างกายจิตใจเหมือนกันกายกับใจกายกับจิตกายกับใจรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันเป็นทุกข์ทนยากเห็นงนะมันเป็นทุกข์ทนยากคือสภาพทุกข์แต่ ไม่ได้พูดถึงผู้ทุกข์พูดถึงร่างกายกับจิตใจนะหลังจากเห็นสองตัวเนี่ยหรือว่าสองสองบรรทัดนี้อย่างแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยจะเข้ามาแล้วก็เกิดเห็นสัพเพธรรมมาอนัตตาในการต่อมามาดูคำแปล สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทีนี้ไม่ใช่กายกับใจแล้วนะเมื่อเราเห็นกายกับใจนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกข์ขาอย่างแจ่มแจ้งจากนั้นเนี่ยมันจะเริ่มเบื่อหน่ายปล่อยวางคลายความยึดถือในกายใจนี้เมื่อคลายความยึดถือในกายใจนี้ในช่วงแรกของการปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ย จะพุ่งมุ่งเน้นลงมาที่กายกับใจจนกระทั่งเห็นขันห้าอะไรก็ตามนั่นแหละเมื่อเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วธรรมชาติของจิตเพื่อให้อะไรเข้าใจอะไรอย่างเต็มที่แล้วจะหันออกไปมองรอบๆทั้งหมดจึงเห็นสภาพของทั้งรูปธรรมนามธรรมารวมถึงสังขารก็ดีเรื่องรูปลักษ์รูปธรรมนามธรรมข้างนอกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ดี ล้วนเป็นอนัตตาทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ร่างกายจิตใจแล้วเห็นความจริงทั้งหมดเลยทั้งกายกับใจนี้แล้วก็ทั้งหมดทั้งโลกทั้งจักรวาลนี้เลยจากนั้นจะสลัดคืนรวมถึงตัวจิตเองคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดการบี้ลงมาที่กายกับใจเพื่อเห็นความจริงในเบื้องต้นสุดท้ายจิตจะถอยออกแล้วก็จะเห็นทั้งหมดเลย กายกับใจเน่ยเห็นจนแจมแ็บนะจนเริ่มปล่อยความยึดถือแล้วจึงเห็นว่ามันไม่ใช่แค่กายกับใจนะมันสับปสิ่งทั้งหมดเลยในโลกในจักรวาลเนี่ยไม่ว่าจะมีวิญญาณไม่มีวิญญาณล้วนเป็นอนัตตาทั้งหมดสลุดหมดความยึดถือกันเลยนีสลุดหมดความยึดถือกันไปเลยแต่หัวใจจริงๆก็คือต้องเห็นเข้ามาที่ จะบอกว่าขันท่าจะบอกว่ากายใจนั่นแหละต้องเห็นเข้ามาที่นี่สุดท้ายพอมันอิ่มแล้วเห็นทั้งหมดเองเมื่อเห็นทั้งหมดเองก็หมดข้อสงสัยแล้วไม่มีอะไรจะยึดแล้วสรรพสิ่งก็เป็นแค่แบบเดียวกันเป็นเกลอกันเป็นเพื่อนกันเ็เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันต้นไม้ก็แบบเดียวกัน จะบอกว่าทิศชูโต๊ะเก้าอี้เป็นีแบบเดียวกันอยู่ภายใต้กฎเดียวกันหมดเลยไม่มีอะไรนอกกฎเลยมีอยู่อย่างเดียวถึงความจริงนั้นเมื่อไหร่รู้อย่างเดียวมีของนอกกฎอยู่อย่างเดียวก็คือพระนิพพานที่อยู่นอกกฎนอกนั้นอยู่ในกฎทั้งหมดกฎจึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่กฎที่ท่านพุทธทาสบอกถ้าเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่กฎถ้ากฎคือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เอาละสำหรับคืนนี้นะเมื่อปฏิบัติก็อย่าพลาดเอาแต่นั่งดูนั่งเห็นนั่งเข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเห็นตามมานะหลายคนก็บอกว่าถ้ามันไม่เห็นจะทำยังไงจะใช้น้อมออกไปก็ได้จะน้อมเข้าไปเห็นสมมติว่ากำลังเกิดความไม่พอใจก็เออของอ น, นิดจังอ่ะเดี๋ยวก็เห็นมันดับไปก็ มือนก็ประทับเข้ามาไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวของอนิจจังของอริยสัอะไรก็ได้อตามนี้ท่านเห็นตอนนั้นเข้าใจตอนนั้นก็เอาคํานั้นมา <c oughs> เป็นเครื่องยืนยันตอกย้ำํำก็ไปสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งทำํำก็ไปให้มันเข้ามาเห็นจนกระทั่งเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันชวนสลดมันชวนสลดพอเห็นอนิจจัง หรือจะเห็นอนัตตาเข้าไปมากๆเห็นความยึดถือแล้วเป็นทุกข์อย่างบางทีผมช่วงนั้นผมนั่งสมาธินั่งๆไว้ก็เห็นการปวดก็ดีการอะไรก็ดีก็เริ่มปวดจังเลยได้ยินเสียงนาฬิกาตีสิบห้านาทีเองนะโอ้ยมันรมันจะถึงเวลาสักทีนั่งก็ปวดอะให้พึ่งจะครึ่งชั่วโมงเองสังเกตเห็นเลยว่า ใจเขาไปยึดนาฬิกาใจเขาไปยึดเสียงตีของนาฬิกาอยากให้มันตียิ่งไปยึดใจใเขาเป็นทุกข์เมื่อไหร่มันจะถึงสักทีโอ๊เสร็จแล้วอยากให้มันตีพอสมมติว่ามันตีกแน้วโอ้ยก็ยงชั่หน่อยนะออกมาเสร็จมานั่งดื่มน้ําดื่มน้ำนั่งพักสักพักมันก็ตีเอ้ามันไม่ได้ตีเพราะกูอยากเลยเนี่ยโอ้มันกตีทั้งวันเลยเ แล้วเราไปสุขทุกอะไรกับมันของมันไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับเราเลยเนี่ยเนี่ยนั่งดื่มน้ำไปก็เอาเอออยู่เราไปยิดมันเองนะเนี่ยเราก็ทุกข์มันเองนาฬิกาก็ไม่ได้แกล้งเรานตอนเราปวดขาลืกอยู่ๆมันตีขึ้นมาโอ้โหโชคดีไที่มันตีอ้ามันก็ไม่ได้เกี่ยวเราก็าบอคอแตกอยู่ในโลกที่เราสร้างขึ้นมาเองนั่งบ้านนั่งบอนั่งยิ้มนั่งเครียดทั้งวันคนเดียวคนอื่นก็ไม่เกี่ยวอะไเราเลยหรือเขาก็บ้าเรื่องอื่นเข้าไปนะไม่ดี เพราะฉะนั้นก็เห็นความจริงขึ้นมาโดยลําดับโดยลําดับอย่างนี้นะอย่าไปปฏิบัติบื้อบื้อซื่อซื่ อ, อโง่ โ, โ, โ, โงไปเขาให้ทำเลยไปทาตามเขานะนี่พระเจ้า ก, ก็แค่ชี้ทาง น, นี่แค่เอาหนังสือสวดมนเปิดให้ฟังหน้าสองหน้าเองปฏิบัติไปตามนี้แล้วศิลป์พอไม่เห็นอ น, นิจจังเห็นอนัตตาหรือเอาแค่เห็นอ น, นิจจังเนี่ยบางทีก็ก็เอาแล้วก็เริ่มเบือ่อนาย เขเรียกเบื่อหนายเบื่อหนายก็เพราะว่าสิ่งที่เราเคยยึดถือเนี่ยสมมติว่าเราอยากได้โทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งพอได้มาแล้วเรามีความสุขถ้าเราเห็นความสุขเองเกิดเกิดดับๆับโทรศัพท์บางทีถืออยู่มันยังทําให้เราทุกข์ได้ร้องไห้ได้ความสุขไม่ได้มาจากโทรศัพท์แล้วเว้ยทำไมความสุขมันเกิดเ ด, ดับๆแบบนี้อ่ะ ไปเห็นสุขอย่างอื่นไปเห็นทุกอย่างอื่นเห็นอะไรอย่างอื่นมีแต่ของเกิดดับเนี่ยอยู่ๆมันสลดลงไปเลยนะถ้าเห็นเข้าไปมากๆหนักๆเข้าไปจริงๆเนี่ยจี้จี้บี้บีบีเขาไปเรื่อยๆเนี่ยเติมข้อมูลที่ถูกต้องเข้าไปให้เห็นความจริงเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันโดนความสุขความยินดีความยินร้ายเนี่ยปิดบังทั้งหมดพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันเริ่มเห็นความจริงเพราะมันเห็นความจริงขึ้นมามันจะสลดในภาษาธรรมะเรียกว่าวิราคะ คือบั่นเบื่อนายใครกําหนัดหรือใครความยึดถือนซึ่งอนาคตสิ่งที่จะตามมาก็คือนิโรธถ้าตั้งจิตไว้ถูกอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็คือนิโรธที่จะเกิดขึ้นนะนจะเริ่มเข้าไปเชื่อมโยงกับอริยสัจละเอาล่ะสําหรับคืนนี้ก็คงพอสมควรนะเอาไว้ค่อยว่ากันต่อไปเอเชิญ